เรื่องของความตายกับมนุษย์ผู้ที่ยังมีลมหายใจอยู่นั้นดูว่าจะเป็นเรื่องลึกลับสุดพันน า, นาทั้งที่ทุกคนที่เกิดมาก็ย่อมหลีกหนีความตายไปไม่พ้นหลายท่านอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวของผู้ที่ตายไปแล้วแต่ว่าสามารถกลับฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งหนึง่งซึ่งจะว่าไปแล้วนะคะก็มีบุคคลประเภทนี้อยู่เยอะพอสมควรส่วนใครคนไหนจะได้ไปพบกับอะไรมาบ้างนั้นต่างก็แตกต่างกันไปตามแต่พลังบุญแล้วก็อำนาจกรรมของแต่ละคน และก็เรื่องที่จะนำเสนอต่อไปนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งประสบการณ์หนึ่งของผู้ที่กลับมาจากความตายซึ่งได้กลับมาบอกเล่าถึงชีวิตหลังความตายของตัวเองเมื่อสามารถกลับมาดำรงชีวิตอยู่ได้อีกครั้งหนึ่งค่ะ คำว่าตายคืนเป็นภาษาทางภาคอีสานซึ่งแปลว่าตายไประยะหนึ่งแล้วก็ฟื้นกลับคืนมาบางคนอาจจะถามนะคะว่าที่บอกว่าตายนั้นหมดลมหายใจหรือเปล่าหรือว่าสลบไปดังนั้นตัวของบีในานามของผู้เล่านะคะก็ขอเชิญคุณผู้ฟังทั้งหลายได้พิจารณาเรื่องของคุณพระพนนะคะโดยเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องของคุณพระพลค่ะ คุณพรพลนะคะได้เคยเล่าเรื่องนี้ลงในนิตยสารโลก ล, ลีบมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีที่ผ่านมาโดยเรื่องของท่านถือได้ว่าเป็นเรื่องที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษาเพื่อนำไปสู่ความเชื่อตามหลักพุทธศาสนาที่บอกว่าความตายไม่ได้เป็นเพียงแค่ความเสื่อมสูญสลายแต่เพียงเท่านั้น แต่ว่าโลกหลังความตายนั้นมีอยู่จริงและผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่จึงควรตระหนักถึงเรื่องของบาปบุญคุณโทษเพื่อจะได้ไม่ต้องไปพบกับความทุกข์ทรมานจากกายสังขารที่ดับสลายไปนะคะวันนี้บีก็เลยขออนุญาตนำเรื่องนี้มาเผยแพร่ต่อที่นี่อีกครั้งหนึ่งคุณพรพลค่ะได้เล่าถึงเรื่องราวการตายของบุคคลผู้หนึ่งไว้เป็นเรื่องของผู้ใหญ่อินอายุประมาณ58ปี ผู้ใหญ่อินเนี่ยนะคะแกจะเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ที่หมู่บ้านดอนทัน อ, อําเภอกมลาสายจังหวัดกลาลสินค่ะเมื่อหลาย10ปีก่อนสมัยที่คุณพลพลนะคะย่างเข้าวัยหนุ่มคุณพลพลบอกว่าแถบนั้นเนี่ยจะรู้จักกับผู้ใหญ่อินแล้วก็สนิทสนมกับผู้ใหญ่อินมาก มีอยู่วันหนึ่งตอนเย็นค่ะคุณพลพลเนี่ยได้ยินข่าวว่าผู้ใหญ่อินเนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจนะคะพอได้ข่าวก็เลยรีบไปที่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็คือผู้ใหญ่อินนี่แหละแต่ว่ากว่าจะไปถึงก็คือตกเย็นพอดีเมื่อเข้าไปถึงก็ไปแสดงความเสียใจกับป้าช่วยซึ่งเป็นเมียของผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ถามป้าช่วยดูว่าผู้ใหญ่อินเนี่ยไปทาอะไรถึงตายป้าช่วยแกก็เล่าให้คุณพลพลฟังบอกว่า ตอนบ่ายเศษวันนั้นหลังกินข้าวตอนกลางวันแล้วผู้ใหญ่เอีนก็นั่งสูบบุหรี่อยู่ที่แคร่ไม้ไผ่แต่ว่าอยู่ๆเนี่ยแกก็ล้มไงหลังลงไปป้าเข้าไปช่วยไม่ทันหลังจากที่ผู้ใหญ่เข้าแน่นิ่งไปพอป้าหายตกตะลึงก็เข้าไปนวดไปเฟ้นอยู่เป็นเวลานานก็ไม่เห็นว่าผู้ใหญ่จะมีอาการดีขึ้นทีแรกนะก็คิดว่าเป็นลมเฉยๆแต่ว่าพอนวดแล้วไม่ฟื้นป้าก็เลยให้เจ้าแก่นเนี่ยไปตามลุงชุบหมอที่สถานีอนามัยมาดูอาการ พอลุงชุบมาดูแกก็จับโน่นจับนี่แกก็เอาสำลีไปวางที่จมูกก็ไม่เห็นว่าสำลีจะปลิวไหวแล้วก็ไปจับที่ข้อมือแกก็บอกว่าชีพรจรเนี่ยไม่เต้นแล้วลุงชุบแกก็สายหน้าพร้อมกับบอกว่ามาสายไปช่วยไม่ทันแล้ว พอลุงชุบพูดแค่นั้นป้าก็รู้ว่าตายแล้วจึงเป็นลมไปด้วยความตกใจพอฟื้นขึ้นมาป้าก็เอาแต่ร้องไห้เป็นวักเป็นเวนจนพวกเด็กเขาทำการหอ่อศพแล้วก็ทำการมัดตราสังเอาศพใส่ลงเรียบร้อยพร้อมกับตั้งบาเพ็ญกุศลพอป้ามีสติขึ้นมาก็เลยไปจัดการนิมนต์พระมาสวดพร้อมกับแจ้งข่าวถึงญาตินี่แหละผู้ใหญ่แกตายปัจจุบันทันด่วนทาอะไรก็ไม่ทันป้าก็หมดแรงหมดกาลังใจ มาช่วยพูดทิ้งท้ายด้วยน้ําตาคลอหน้านะคะพร้อมกับสีหน้าหม่นหมองซึ่งอยู่ในอาการโศกเศร้าเสียใจพร้อมกับความตกใจตกลงในคืนนั้นคุณพหลพลก็อยู่ช่วยงานศพผู้ใหญ่อินค่ะพร้อมกับพวกชาวบ้านคนอื่นๆอีกจํานวนมากทั้งนี้ก็เพราะว่าผู้ใหญ่อินเนี่ยเป็นคนใจดีอบอ้อมอารีช่วยเหลือพวกชาวบ้านเสมอแกก็เลยเป็นที่รักแล้วก็เป็นที่ศรัทธาของพวกชาวบ้าน คืนนี้ก็เลยมีผู้คนมาร่วมงานศพผู้ใหญ่อินมากมายรวมถึงคุณพลพลด้วยต่อมาเวลาราวทุ่มเศษพระก็สวดหน้าศพก็มีคนมาฟังพระสวดกันมากมายพอสมควรป้าช่วยก็บอกกับคุณ พ, พลพลว่าจะต้องสวดถึงสวันนะเพราะว่าต้องตั้งศพไวร อ, อยายาที่อยู่ไกลๆแล้วก็ยังมาไม่ถึงคืนนี้จึงเป็นการสวดศพคืนแรกนะคะภายหลังจากพระสวดเสร็จก็เป็นเวลาสี่ทุ่ม ทางแม่ครัวก็หาข้าวหาน้ําเลี้ยงดูกันไม่ขาดแคลนแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ในงานสวดศพของต่างจังหวัดนี่ก็เห็นจะเป็นเหล้าแหละนะคะพวกผู้ชายก็ดื่มเหล้ากันแก้ง่วงไปด้วยการตั้งวงเล่าบ้างก็ตั้งวงหมากรุกเล่นกันไปกินกันไปเรื่อยๆจนค่อนรุง่งพวกแม่ครัวก็เลยตื่นขึ้นมาทํากับข้าวไว้เลี้ยงพระในตอนเช้าปรากฏว่าคืนนั้นค่ะ ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยตลอดรุ่งสว่างพอเช้าก็ช่วยกันจัดถวายจังหันพระแล้วก็ประมาณบ่ายสองโมงเศษพวกผู้ชายก็เริ่มตั้งวงเล่ากันอีกเฉพาะพวกที่อยู่ช่วยงานนะคะ ส่วนในวงที่คุณพลพลอยู่ร่วมด้วยเนี่ยก็สนุกคลื่นเครงกันใหญ่เลยเพราะว่าคอทองแดงกันทั้งนั้น ท, ทั้งทางที่อยู่ห่างจากหีบศพเพียงแค่ศอกเดียวแต่ว่าไม่มีใครสนใจแล้วก็เอาใจใส่ก็คงจัดการร่าสุรากันเรื่อยเปื่อยอย่างสนุกสนานนะคะ พอเวลาผ่านไปครู่ใหญ่ค่ะบางคนก็เมาแอนคอพับลงไปบางคนก็ถึงกับฟุบไปด้วยความเมาประกอบกับไม่ได้นอนก็เลยหมดแรงเขาต้มไปส่วนคุณพลพลกับเพื่อนอีกกลุ่มใหญ่ก็ยังคงนั่งคุยกันต่อไปอย่างถูกคอเวลาผ่านไปสักครู่นึงค่ะคุณพลพลบอกว่าได้ยินเสียงดังกุกกะกุกกะมาจากหีบศพก็เลยหันหน้าไปดูก็ไม่เห็นว่ามีอะไรก็เลยคิดว่าอคงจะหูเฟืนไปเพราะว่าเมาเหล้าก็เลยรวบรวมสติ เงี่ยหูฟังแล้วก็ตั้งใจฟังให้ถนัดอีกครั้งหนึ่งพลันก็ได้ยินเสียงดังกุ๊กกักดังมาจากในหีบศพนะคะเมื่อคุณพลลพลนแน่ใจนะคะว่าเสียงนี้เนี่ยมันดังออกมาจากหีบศพค่ะก็เลยหันไปดูพวกเพื่อนๆที่อยู่ข้างๆก็เห็นเขาเพิ่งจะหันกลับมาเหมือนกัน ต่างฝ่ายต่างมองหน้ากันเลิกลักนะคะเขาก็คงจะได้ยินเช่นเดียวกันแต่ว่ายังไม่ทันจะมีใครได้พูดอะไรอีกเสียงนี้ก็ดังขึ้นพร้อมกับมีเสียงคล้ายกับการเคลื่อนไหวดังมาจากภายในโลงศพทุกคนต่างมองหน้ามองตากันแบบเงียบกริบเลยนะคะไม่กล้าแม้จะขยับขยื่นเพราะว่าทุกคนได้ยินกันชัดเจนซึ่งขณะที่เงียบอยู่นั้นก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นภายในความเงียบนะคะบอกว่าผีหลอก เพียงเท่านั้นและค่ะทุกคนต่างถอยฉากออกจากโรงศพด้วยความขวัญ น, นีดีฟอร์นะคะต่างก็ต้องมองหน้ากันมองตากันล็อกแลกพอคุณพหลพลหายมืนก็คิดว่าผู้ใหญ่อินนี่เฮียนมากถึงกับแสดงฤทธิ์ในตอนกลางวันแสกๆเลยหรือนี่ขณะที่คุณพรลพลกำลังคิดอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงดังขึ้นอีกทําเอาทุกๆคนเนี่ยถึงกับพังะจับกลุ่มกันทันทีโดยอัตโนมัตินะคะ ขนาดว่าสับ ป, ปะเรดนั่งร่วมวงด้วยแกก็ถอยห่างออกไปจากกลุ่มแล้วก็เอ่ยขึ้นทันทีค่ะว่าผู้ใหญ่อินเนี่ยเอาแน่หรือเนี่ยพอขาดคำเสียงจอกแจ๊กจอแจก็ดังขึ้นจนฟังไม่รู้เรื่องนะคะลุงแกได้สติก่อนจึงร้องบอกทุกคนให้เบาๆหน่อยกลางวันแสกๆคนตั้งเยอะตั้งแยะตื่นกันไปได้นั่นแหละเสียงทุกคนจึงค่อยๆเบาลงค่ะคุณผู้ฟังฝ่ายลุงอ้นนะคะแกเป็นสับ ป, ประรศแกเพิ่งได้สติ จึงบอกให้ทุกคนที่คอยเงี่ยหูฟังเนี่ยบอกว่าฟังให้ดีนะว่าเสียงอะไรกันแน่มันไม่ใช่ผีเผออะไรหรอกลุงอ้นพูดอย่างไว้สักศีของสับ ป, ปะเลอ น, นะคะเสียงดังกุกกะพร้อมกับเสียงดิ้นในหีบศพดังขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลุงมาก็เลยตะโกนขึ้นมาค่ะบอกว่าอ้นเอ้ยเข้าไปดูกับข้าเถอะว่ามันเป็นอะไรกันแน่ เสียงลุงมาพูดขึ้นมาค่ะพร้อมกับเดินไปหาหีบศพลุงอ้นไม่พูดอะไรก็ยังคงเดินตามเข้าไปใกลๆ้ๆพร้อมกับกลุ่มผู้ชายแล้วก็กลุ่มผู้หญิงก็เดินตามเข้าไปดูด้วยพอไปถึงหีบศพนะคะทุกคนต่างมองหน้ากันค่ะว่าจะเอาอยัางไงดีคุณพลพลได้สติก่อนจึงบอกว่าให้เปิดฝาโลงดูลุงอ้นก็เลยไปยกฝาโลงออกด้านหนึ่งนะคะคุณพลพลก็ยกอีกด้านหนึ่งค่ะพอยกฝาโลงออก คุณพลพลก็เลยเอื้อมมือไปหยิบผ้าขาวซึ่งคลุมอีกชั้นหนึ่งออกคุณพลพลต้องสะดุ้งสุดตัวแทบช็อกนะคะบอกว่าปรากฏว่ามีมือมาจับที่แขนของข้าพเจ้าไว้ข้าพเจ้าหันไปดูก็เห็นป้าช่วยเนี่ยการมายืนอยู่ข้างหลังลุงมากับลุงอน้นเอามือมาจับแขนข้าพเจ้านั่นเองจึงค่อยโล่งอกหน่อยพอคุณพลพลเอาผ้าออกนะคะลุงอน้นกับลุงมาก็ก้มลงไปมองภายในหีบศพแล้วทั้งสองก็ต่างพูดขึ้นพร้อมกันว่า ผู้ใหญ่อินถ้าจะฟื้นจริงๆโว้ยคุณพลพลกับป้าช่วยก็เลยรีบก้มลงดูค่ะก็เห็นผู้ใหญ่อินเนี่ยนอนหลับตาปริบปริบทำปากพะงาบพะงาบแต่ว่าไม่มีเสียงถึงมีก็คงเบามากนะคะน้ําเสียงเซ็งแ่จากผู้คนที่ดังมากลบเอาอีกทีหนึง่งแล้วก็ป้าช่วยแกก็ร้องไห้ขึ้นโฮใหญ่ด้วยความปิติอย่างสุดซึง้งผู้คนก็เฮโลล้อมเข้ามาอีกจนลุงมาบอกว่าให้เบาๆหน่อยเถอะถอยออกไปประเดี๋ยวมันก็เห็นกันหมดทุกคนนั่นแหละ นั่นแหละทุกคนถึงห่างออกไปนะคะลุงมาแกก็บอกให้ช่วยกันยกลงศพลุงอ้นก็อยู่ทางหัวลุงมาอยู่ทางขวาส่วนคุณพลพลผู้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยก็อยู่ทางกลางลําตัวนะคะก็ค่อยๆ ย, ยกผู้ใหญ่อินซึ่งตายไปแล้วตั้ง20กว่าชั่วโมงออกจากหีบศพก็ทําหน้างงๆค่ะคุณพลพลบอกก็ทําไปด้วยความงุนงงเหมือนกันคนตายไปตั้งร่วมวันกลับฟื้นขึ้นมาดูมันเป็นเรื่องแปลกประหลาดเอาการอยู่คุณพลพลก็ยืน มึนงงอยู่ในสมองไม่หายครั้นจะไม่เชื่อก็มองเห็นอยู่ตามตาพอวางผู้ใหญ่อินลงแล้วลุงอ้นก็ยังคงประคองอยู่ทางศีรษะผู้ใหญ่อินในท่าเครื่องนั่งเครื่องนอนลุงมาจึงหันไปทางป้าก็เห็นป้าช่วยเนี่ยแกสะอื้นฮักฮักอยู่ก็เลยบอกป้าช่วยว่าให้ไปเอาที่นอนมาป้าช่วยก็เลยไปเอาที่นอนมาปูให้ผู้ใหญ่อินนอนลงฟูกจากนั้นลุงมาก็บอกว่าอา้าช่วยกันแก้ตราสังกันก่อนเถอะ คุณพลพลและก็เพื่อนผู้ชายอีก3ามคนก็ได้เข้าไปร่วมกันแก้มัดตราสังออกนะคะแต่ว่าการแก้ได้ตราสังนั้นทำได้ช้ามากเพราะว่าเขาผูกไว้แน่นจนในที่สุด่ะก็ต้องไปเอามีดมาตัดได้ตราสังจนขาดทุกอย่างจึงเรียบร้อยลงผู้ใหญ่อินเนี่ยนอนอยู่บนฟูกแต่ว่ายังพูดไม่ได้ยังคงทําปากพะ ง, งาบพะ ง, งาบอยู่ลุงมาก็ก้มลงเอาหูเงี่ยฟังเสียงจากผู้ใหญ่อินแล้วแกก็เงยหน้ามาบอกว่าให้ไปเอาน้ามาเร็ว คุณพลพนก็เลยรีบไปหยิบเอาน้ำมาส่งให้นะคะลุงมาก็รับไปจอที่ปากของผู้ใหญ่อินแล้วก็บอกให้ค่อยๆดื่มผู้ใหญ่อินก็พยักหน้าอย่างอ่อนระหวยรยแรงซึ่งภายหลังจากที่ผู้ใหญ่อินดื่มน้าไปสักพักก็เห็นแกพอมีแรงยกขันดื่มน้าได้เองเนี่ยนะคะลุงมาก็เลยบอกให้เอาเข้าวต้มมาให้กินปาช่วยก็เลยรีบไปเอาเข้าวต้ม ส่วนคุณพลพลก็นึกถึงหมอก็เลยไปตามลุงชุบที่สถานีอนามัยพอลุงชุบรู้เรื่องก็ประหลาดใจยิ่งแกก็พูดว่าเฮ้ยเมื่อวานตรวจละเอียดแล้วนะว่าตายแน่ทําไมวันนี้ฟื้นล่ะลุงชุบแกก็รีบเก็บยาลงกระเป๋าพร้อมกับเดินตามคุณพลพลมายังบ้านผู้ใหญ่อินเมื่อมาถึงลุงชุบหรือว่าหมอชุบเนี่ยก็ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้งนึงค่ะพร้อมกับฉีดยาบํารุงให้แล้วก็บอกว่าอาการเนี้ยไม่มีอะไรแล้วดีมากแล้ว แต่ว่าชีพจรยังอ่อนอยู่พักผ่อนสักนิดหนึ่งก็คงจะเป็นปกติหลังจากที่ฉีดยาแล้วนะคะผู้ใหญ่อินก็นอนหลับตื่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งร่างกายก็อยู่ในสภาพปกติแกก็เล่าให้ทุกคนในงานเนี่ยฟังนะคะบอกว่าวันนั้นเนี่ยแกกินข้าวเสร็จก็ไปนั่งสูบยาอยู่พอสักครู่หนึ่งแกก็รู้สึกว่าหน้ามืดล้มลงจะลุกก็ลุกไม่ขึ้นสักครู่หนึ่งก็ลุกขึ้นอีก แต่ว่าคราวนี้ที่ลุกขึ้นได้แต่ว่าทำไมจึงมองมาเห็นร่างตัวเองนอนอยู่เห็นป้าช่วยนั่งนวดอยู่แต่ว่าตัวเองไม่มีความรู้สึกอะไรก็เลยเดินไปดูรอบๆ บ, บ้านแล้วก็เดินไปทางวัดแต่ว่าการเดินในตอนนั้นคล้ายกับลอยไปไม่ได้เหยียบพื้นก็สังเกตว่าตัวเองเนี่ยเบามากเหมือนสำลีพอไปถึงวัดก็เห็นใครต่อใครมากมายแต่พอไปเจอคนตัวใหญ่นุ่งผ้าเตี่ยวสีแดง พอเห็นแกก็จับมือแล้วก็เหวี่ยงกลับมาทางบ้านก็รู้สึกตกใจแล้วก็ตื่นขึ้นมานี่แหละเรื่องราวการตายแล้วฟื้นกลับคืนมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งของผู้ใหญ่อินนี้นะคะแม้ว่าขณะที่ดวงวิญญาณของผู้ใหญ่อินหลุดออกจากร่างจะไม่ได้ไปพบเ ห, เห็นเหตุการณ์ในโลกหลังความตายมากมายเท่าไหรนะ่นักแต่ว่าประสบการณ์ของท่านเองก็สามารถยืนยันได้ค่ะว่า คนเราเมื่อตายไปแล้ววิญญาณจะยังคงล่องลอยไปตามยะถากรรมและจะต้องได้พบกับโยมทูตผู้มารับ หากบุคคลผู้นั้นถึงคาดต้องตายจริงและการที่ผู้ใหญ่อินสามารถคืนชีวิตกลับมาได้นั้นก็เชื่อนะคะว่าเป็นเพราะว่าชะตาชีวิตของผู้ใหญ่อินอาจจะยังไม่ถึงคาดนั่นเองยองมทูดในชุดผ้าเตี่ยวสีแดงจึงผลักดันดวงวิญญาณให้กลับคืนมาเข้าร่างดังเดิมซึ่งหลังจากผู้ใหญ่อินฟื้นกลับมามีชีวิตอีกครั้งท่านเองก็เร่งสร้างบุญกุศลแล้วก็ละเลิกจากสิ่งอันเป็นบาปทั้งปวงค่ะ เพื่อวันหนึ่งเมื่อดวงชะตาถึงคาต้องตายไปอีก ห, หนึ่งจะได้ใช้ชีวิตในโลกหลังความตายไปได้โดยเป็นสุขนะคะแล้วก็ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานเหมือนวิญญาณบาปดวงอื่นๆนั่นเองค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องเล่านะคะของคุณพลพนที่เคยถูกตีพิมพ์ลงไปในนิตยสารโลกลี้ลับมาแล้วนะคะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาก็ขออนุญาตนะคะนําเรื่องราวเหล่านี้มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันยังไงก็ต้องขอบพระคุณสําหรับนิตยสารโลกลี้ลับแล้วก็คุณพลพนนะคะที่ได้เล่าเรื่องราวนี้ให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันถือว่าเป็นธรรมทานประจําวันนี้ค่ะ เรื่องราวของโลกหลังความตายยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่บีจะนำมาเล่าให้ฟังกันประจำวันนี้เป็นเรื่อง ของท่านปัญญาวารโภิกษุนะคะหรือว่าท่านนิกรไทยรักได้ประสบพบเห็นมาในขณะที่ท่านก็เคยตายมาแล้วหนหนึ่งเมื่อครั้งยังเป็นคารวา์เมื่อหลายสิบปีที่ผ่านมาเรียกว่าเป็นประสบการณ์ที่สำคัญของท่านนะคะอันเกี่ยวเนื่องกับนรกสวรรค์แล้วก็ย ม, มาบาลมาเยี่ยมเมืองมนุษย์เพื่อจะได้เป็นเครื่องประกอบในการพิจารณาบาปบุญคุณโทษแล้วก็โลกวิญญาณ น, นั้นว่ามีจริงหรือไม่อย่างไร ท่านปัญยวารโภิกษุได้เล่าถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่ท่านได้ประสบมาด้วยตัวเองไว้ดังนี้นายนิกรไทรักเป็นชื่อของอาตมาเองตอนก่อนที่อาตมาจะมาอุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาเมื่ออาตมาได้อายุ23ปีก็ได้อาศัยอยู่กับพ่อแม่ของอาตมาซึ่งชื่อนายทองและก็นางส้วนไทรักณนะบ้านเล็กที่ห3หมู่หนึ่งตําบลป่ากออําเภอเมืองจังหวัดพังงาซึ่งมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด6คน เป็นผู้หญิงสามและก็เป็นผู้ชายอีกสามคนวันเสาร์วันหนึ่งของเดือนมีนาคมพุทธศักราช2510เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์ซึ่งอาตมาจะได้เล่าให้ฟังต่อไปนี้แต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นสองสาวันพี่ชายของอาตมาซึ่งได้ไปหักล้างถางพงทำสวนอยู่ที่จังหวัดกระบี่ได้มาชวนอาตมาไปอยู่ด้วยเพราะเห็นว่าอาตมาไม่มีงานทาเป็นหลักเป็นแหล่ง แต่ว่าอาตมาไม่อยากจากบ้านเกิดเมืองนอนไปอยู่ที่แดนป่าดงพงทึบอันเต็มไปด้วยสิงสารสัตว์ประกอบกับอาตมาก็ไม่ค่อยถูกอารมณ์กับพี่ชายคนนี้วันหนึ่งหนึ่งเราพูดกันไม่ถึงสิบคำอาตมาจึงปฏิเสธที่จะไปกับพี่ชายคนนี้แต่พี่ชายก็ยังคงหาทางที่จะพาอาตมาไปให้จนได้อาตมาไปปรึกษาพ่อกับแม่และพี่น้องคนอื่นๆทุกคนก็อยากจะให้อาตมาไปอยู่ที่นั่น อาตมาเลยคิดน้อยเนื้อต่ำใจและตกลงใจตามปราษาคนคิดสั้นๆว่าตายดีกว่าอยู่ดีกว่าที่จะต้องไปกับพี่ชายที่มีแต่ปัญหาคิดอยู่ว่าแล้วถ้าเราจะตายเราจะตายแบบไหนดีพอคิดไปคิดมาก็นึกขึ้นมาได้ว่าเราจะต้องกินยานอนหลับตายจะดีกว่าเมื่อแน่ใจยอย่างนั้นแล้วอาตมาก็ไปเที่ยวหาซื้อยานอนหลับอยู่สองวันได้ยารวมทั้งหมด15เม็ด คิดว่ายาเพียงเท่านี้ยังไม่แน่ใจว่าจะได้ผลหรือไม่ก็เลยซื้อยาแอสโปรแถมเข้าไปอีก10เม็ดเมื่อซื้อยาเรียบร้อยแล้วอาตมายังมีเงินสดเหลืออยู่ติดตัวอีก300บาทนึกในใจว่าไหนเราจะตายแล้วเงินจำนวนนี้ก็อย่าให้เหลือไว้อีกละกันซื้อของไปฝากพี่น้องแล้วก็พ่อแม่ผู้มีพระคุณและทาบุญซะยังจะดีกว่า วันนั้นอาตมานึกแต่เรื่องทำบุญความจริงแล้วอาตมาไม่สนใจในเรื่องการทำบุญสุนทานเลยเมื่อครั้งก่อนๆถ้ามาวัดกับเขาบ้างก็ไปอย่างนั้นแหละคือไปเที่ยวแบบคนหนุ่มเข้าใจว่าได้บาปมากกว่าได้บุญเพราะว่าไม่ใช่ไปวัดเพื่อทำบุญไม่ชอบเข้าใกล้พระเลย เมื่ออาตมากลับมาถึงบ้านก็นำของที่ซื้อติดตัวไปให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็เลยไปถวายพระที่วัดทุกคนก็พากันประหลาดใจในอาตมาที่มีใจเอื้อเฟื้อแล้วก็ใจบุญเป็นพิเศษในวันนี้แต่ทุกคนหาได้เฉลียวใจไหมว่าอาตมาเตรียมตัวจะจากเข้าไปซะแล้วเพราะอาตมาไม่ได้แสดงอาการอย่างใดให้ใครรู้เห็นตลอดเวลาพอตกเย็นก็จัดการเอายาทั้งหมดไปกินหลังบ้านตอนนี้ใจคอของอาตมารู้สึกเศร้าอย่างบอกไม่ถูก กินยาไปพลางร้องไห้ไปพลางจนน้ำตาแทบจะเป็นสายเลือดแต่ก็กัดฟันกินจนหมดไปทั้งหมด20เม็ดยังเหลือแอสโปรอีก5เม็ดอัตมาได้ทิ้งไปหมดเพราะว่ากินไม่ลงแล้วตอนนี้ใจคอของอัตมาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวรู้สึกว่าสับสนกระวนกระวายทรมานใจจนบอกไม่ถูกจนในที่สุดนึกอยากเข้าไปกราบเท้าคุณแม่เพื่อที่จะอาลาครั้งสุดท้ายจึงเอาผ้าเช็ดน้าตาแล้วก็เดินออกไปข้างนอก แต่ไม่กล้าทําตามที่คิดไว้เพราะเกรงว่าความลับจะถูกเปิดเผยเดี๋ยวจะไม่ได้ตายสมใจจึงกลับไปเขียนจดหมายลาตายแทนจดหมายลาตายฉบับนั้นอาตมาเขียนไว้ดังนี้ที่ห้องนอนในวันสุดท้ายของลูกกราบเท้ามายังคุณพ่อคุณแม่ผู้บังเกิดกล้าวแม่จา๋าชาตินี้ลูกขอลาไปก่อนแม่คงไม่รู้เลยว่าลูกคนหนึ่งของแม่ต้องทนทุกข์ทรมานดวงใจแทบจะขาดที่อีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ลูกก็ต้องจากแม่ไปแล้ว ไปอย่างไม่มีวันกลับลูกอยากจะเข้าไปกราบอำลาแทบเท้าแม่และอยากจะเห็นหน้าแม่ก่อนที่จะสิ้นใจตายแต่ลูกทำอย่างนั้นไม่ได้แม่จา๋าบุญลูกน้อยเหลือเกินที่จะได้เห็นหน้าแม่ต่อไปลูกกราบลาแม่ลงแทบเทา้าแนบมาพร้อมกับจดหมายฉบับนี้ด้วยนะชาตินี้ลูกบุญน้อยมิได้ตอบแทนบุญคุณแม่ลูกขอตั้งสัตว์ว่าหากลูกเกิดชาติหนึ่งชาติหน้าก็ขอให้ลูก เป็นลูกของแม่ผู้มีพระคุณและขอรับใช้ท่านผู้มีพระคุณทุกทุกชาติด้วยเถิดขอให้คุณแม่และพี่น้องที่อยู่ข้างหลังจงมีแต่ความสุขตลอดไปส่วนลูกนั้นก็แล้วแต่บุญแต่กรรมจะนำพาไปลูกอยากจะเขียนให้แม่อีกมากมายแต่ว่าเวลานี้ดวงตาของลูกนิ้ฟ้าฟางเต็มไปด้วยน้ำตาที่สุดจะเขียนต่อไปได้อีกจึงขอกราบลาคุณแม่ผู้กาุนเพียงเท่านี้นะแม่ขอลาแม่ชั่วชีวิตจากลูกน้อยผู้อาภัพ เมื่อเขียนจดหมายแล้วก็เก็บใส่กระเป๋าเสื้อแล้วก็จัดหาดอกไม้ทูกเทียนไหว้พระตามธรรมดาแต่ก่อนอาตมาไม่เคยไหว้พระที่บ้านเลยเมื่อแม่เห็นอย่างนั้นท่านก็แปลกใจแต่ไม่ได้ถามไถ่แต่ประการใดตอนนั้นยาที่กินเข้าไปก็เริ่มแสดงอาการบ้างแล้ว อาตมารู้สึกตัวสั่นและสติฟั่นเฟือนจำอะไรไม่ค่อยได้ไหว้พระไม่ถูกได้แต่ตั้งนโมสามจบก็เป็นอันว่าไหว้พระเสร็จแล้วแล้วก็เอาดอกไม้สามดอกผูกติดรวมกันกับทูปเทียนเพื่อเอาไว้ถือเพราะเคยเห็นคนใกล้ตายเขาทำกันแบบนี้ตอนที่ยากินไปเป็นเวลาประมาณ18นาฬิกาใกล้19นาฬิกาตอนเข้านอนก็ราว20นาฬิกา ก่อนจะนอนก็ได้ระลึกขึ้นว่าขอเดชะคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์คุณพ่อแม่และครูบาอาจารย์ตลอดทางผู้ใหญ่มีพระอินพระพรหมพญายมและพระการอีกทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์และผู้มีพระคุณทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้าได้สิ้นชีวิตไปแล้ว ขอพระคุณท่านจงโปรดมาช่วยนําอาวิญญาณของข้าพเจ้าไปสู่ที่สุขที่ชอบด้วยเถิดขอเดชะบารมีที่ท่านทั้งหลายจงรับรู้ความดีที่ข้าพเจ้าได้สร้างสมอบรมไว้ในชาตินี้จงมาเป็นกุศลผลบุญให้ข้าพเจ้าด้วยเถิดได้ไปเกิดในที่พึงปรารถนาที่ชอบด้วยเมื่ออธิษฐานเสร็จก็ล้มตัวลงนอนแล้วก็คิดว่าต่อไปนี้ไม่มีอะไรจะช่วยเราได้แล้วนอกจากพระเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วก็ภาวนาขึ้นนะคะว่าพุโทโธ พุโทโธอย่างนี้ตลอดไปมารู้สึกตัวอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะสิ้นลมหายใจเวลานั้นประมาณสามทุ่มเห็นจะได้ภายในหัวอกเสมือนว่าใครเอาหินมาตั้งทับไว้รู้สึกว่าหนักไปทั้งตัวกลามทั้งสองข้างขบแน่นน้ำลายไหลเป็นฟองออกทั้งสองข้างของปากเหงื่อแตกทั้งตัวและจมูกเหมือนมีใครมาบีบแต่คำบริกรรมที่ว่าพุโทโธพุโทโธพุโทโธใจยังไม่ลืม เมื่อหายใจได้สองสามครั้งแล้วก็หยุดไปทันทีคล้ายกับว่าหลับไปอย่างนั้นแหละแต่ถ้าหากว่าเราหลับจริงๆแล้วเราฝันเราก็จะไม่เห็นกายเนื้อของเรานอนอยู่แต่ว่าอาัตมาเองพอสิ้นลมหายใจไปสักสองนาทีก็เห็นวิญญาณออกมายืนอยู่ทันทีตอนที่วิญญาณออกจากร่างนั้นก็ไม่ทราบว่าออกมาได้อย่างไรแล้วก็ออกมาตอนไหนสภาพของวิญญาณที่ออกมาจากร่างจริงมายืนอยู่นั้น แตกต่าง ก, กันกับร่างจริงมากมายเสื้อผ้ากางเกงไม่มีจะนุ่งจะใสมีแต่ผ้าพันเอวประมาณสักหนึ่งคืบแล้วก็สกรปรกเต็มทีดูร่างกายล่อนจ้อนผมเ่ารกรุงรังคล้ายกับอสุรกายที่มาจากนรกซึ่งความจริงแล้วร่างเดิมของอัตมาตอนกินยาแล้วเข้านอนนั้นได้ผลัดเสื้อผ้าใหม่แต่งตัวเรียบร้อยดีที่สุดอย่างที่เขาแต่งให้คนเมื่อใกล้จะตายในมือของวิญญาณ ยังคงถือดอกไม้ทูบเทียนเหมือนอย่างเดิมปากก็ยังคงบริกรรมภาวนาว่าพุทโธอยู่อย่างเดิมก่อนที่จะสิ้นใจยังนึกเป็นห่วงแม่เป็นห่วงพี่น้องห่วงข้าวของทุกอย่างแต่พอเป็นวิญญาณแล้วไม่เป็นห่วงอะไรเลยวิญญาณของอาตมายืนดูกายเนื้ออย่างพินิษฐ์พิเคราะห์อยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เดินออกไปข้างนอกหน้าบ้านตามธรรมดาเมื่อเวลาที่จะเข้านอนตอนกลางคืนก็จะปิดประตูรเรียบร้อยและเป็นเดือนมืดเพราะว่าเป็นข้างแรม แต่ในการที่วิญญาณเดินออกประตูนั้นเหมือนกับเดินทะลุออกไปเฉยๆโดยไม่ต้องเปิดประตูเลยและรู้สึกว่าไม่มืดไม่สว่างพอเดินพ้นจากห้องมาถึงหน้าบ้านก็หันหน้าเดินทางไปทิศใต้ทีแรกออกจากบ้านจำได้ทุกตอนว่าตรงนั้นเป็นสวนคนนั้นตรงนี้เป็นสวนคนนี้ แต่พอนานๆเข้าก็จําไม่ได้แล้วและอาการของวิญญาณที่เดินไปนั้นดูเหมือนว่าเท้าทั้งสองไม่ถึงพื้นแต่ก็ไม่ได้เป็นการเหาะเหินเดินอากาศคือมีสภาพอย่างที่เขาว่าล่องลอยแต่คําว่าพุทโธพุทโธก็ยังคงบริกรรมภาวนาเรื่อยไปโดยไม่ลืมเลยต่อจากนั้นวิญญาณก็เดินทางต่อไปจนเข้าป่าอีกแห่งหนึ่งไม่สู้จะใหญ่นักพ้นจากป่านั้นแล้วก็ไปพบถนนพอเดินไปตามถนนนั้นอีกไม่นานก็ถึงตลาดแห่งหนึ่ง มีผู้คนมากมายขายของนานาชนิดแต่ว่ารถเรือไม่มีโดยคนส่วนมากแต่งตัวคล้ายกันกับแขกมีผ้าโพกหัวส่วนผู้หญิงก็มีผ้าคลุมแล้วก็ผ้าหอ่อ ตอนนี้วิญญาณของอาตมารู้สึกละอายเป็นอย่างมากที่จะต้องเปลือยกายเปล่า mm. เมื่อเทียบกับเขาเหล่านั้นที่ได้ประดับประดาด้วยอาพรสวยงามแต่เราจําต้องเดินก้มหน้าไม่พูดไม่จา ก, กับใครพอใกล้จะพ้นจากตลาดนั้นก็พบแม่ค้าแก่ๆนั่งอยู่สามคนวิญญาณของอาตมาเลยถามขึ้นว่า mm. แม่ค้าครับทำไมผมจึงมีผ้าใช้นุ่งเพียงผืนเล็กๆผืนเดียวอย่างนี้ลครับ แม่ค้าคนหนึ่งก็เลยตอบบอกว่าคุณไม่ต้องแปลกใจเลยถึงจะนุ่งห่มมาให้ดีอย่างรายตอนก่อนตายเมื่อมาถึงที่นี่ก็เอามาไม่ได้หรอกถ้าหากว่าอยากจะได้แต่งตัวงามๆตอนมีชีวิตอยู่ก็ต้องทำบุญทําทานด้วยผ้ามาก่อนแล้วจึงจะได้อานิสงส์มีผ้านุ่งงามที่นี่อาตมาก็นึกขึ้นมาได้ทันทีว่าเป็นความจริงเพราะเมื่ออาตมาอยู่เมืองมนุษย์ไม่เคยทาบุญด้วยผ้าเลยสักครั้งเดียว เมื่ออตาตมาหายสงสัยแล้วก็เดินทางต่อไปจนถึงป่าใหญ่แห่งหนึ่งป่านี้รู้สึกว่ารกสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าไม่ถึงกับเดินลำบากในป่านี้มีสัตว์น้อยใหญ่น า, นานาชนิดแต่พอเห็นอตาตมาต่างก็พากันหนีไปหมดเพราะว่าอตาตมาภาวนาคาว่าพุทโธไม่เคยลืมเลยสักเวลาเดียวไปอีกไม่ไกลก็มีกวางตัวหนึ่งวิ่งตัดหน้าอตาตมามาพอกวางตัวนี้พ้นไปประเดี๋ยวเดี๋ยวก็มีพรานป่า ถือธนูหน้าไม้วิ่งไล่ตามหลังกวางมาแต่พอเหลือบไม่เห็นอัตมาก็ทำท่าว่าจะยิงพร้อมกับขู่สมทับด้วยเสียงอันกังวาลว่าย่านี้นะย่านี้นะให้เราจับซะดีๆถ้าขืนหนีเราจะยิงนะอัตมาในสภาพวิญญาณต้องหยุดนิ่งอยู่ตรงนั้นเพราะว่าความกลัวนายพรานก็เลยตามเข้ามาหาอัตมารวบมือทั้งสองข้างและตีด้วยไม้ขนาดเท่าข้อมือลงบนหลัง3สทีจนเห็นว่าอัตมาหนีไม่ได้แล้ว เขาก็เลยหยุดตีอาตมาจากนั้นเขาก็เลยไปเอาเชือกมาเส้นหนึง่งโตเท่านิ้วก้อยผูกที่คออาตมาลากพาไปที่ไหนไม่ทราบตอนนี้อาตมาในสภาพวิญญาณก็ยังรู้สึกกลัวตายขึ้นมาอีกทั้งทา ง, งที่ตายอยู่แล้วนั่นเองอาตมาก็เลยพยายามหาทางเอาตัวรอดอาตมานึกขึ้นได้ทันทีว่าไม่มีที่พึ่งอื่นใดดีกว่าพระพุทธเจ้าอันเป็นที่พึ่งของอาตมา อาตมาก็ภาวนาขึ้นดังๆว่าพุทโธพุทโธขอองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมาช่วยลูกด้วยเถิดนายพรานเขาตีลูกทั้งๆ ท, ท, ที่ลูกไม่ได้ทําผิดต่อเขาแต่ประการใดลูกเจ็บปวดเหลือเกินลูกหมดที่พึ่งแล้วขอพระองค์ท่านจงมาช่วยลูกด้วยเถิดว่าแล้วก็ภาวนาพุทโธต่อไปอีกพออาตมาภาวนาอย่างนั้นไม่กี่ครั้งก็ปรากฏว่ามีภาพของพระพุทธเจ้าเสด็จลอยมาทันทีภาพนั้นยังคงลอยอยู่ในอากาศ เสด็จยืนอยู่บนดอกบัวพระหัต์เบื้องขวาทรงยกขึ้นพระหัต์ซ้ายทรงปล่อยลงมาข้างตัวภาพนั้นลอยลงมาขวางหน้านายพรานเมื่อนายพรานเห็นดังนั้นก็รีบปล่อยวิญญาณของอาตมาแล้ววิ่งหนีเข้าป่าไปเมื่ออาตมาได้เห็นพระพุทธปฏิหารปานชนี้ก็ยกมือขึ้นไหวระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ไม่ลืมเลือนเมื่อนายพรานไปแล้วอาตมาก็แก้เชือกที่พันธนาการออกแล้วก็พยายามเดินต่อไป แต่ว่าเดินไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่ก็ต้องนั่งพักด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวจากการที่ถูกนายพรานคนนั้นเขาตีอาตมานั่งอยู่ที่โคนไม้ต้นหนึ่งตามองเหม่อไปรอบๆ อ, อย่างคนสิ้นคิดหมดหนทางที่จะทำอะไรต่อไปอีกทันใดนั้นก็ได้เหลือไปเห็นอะไรบางอย่างมีแสงสีเขียวเหมือนสายรุง้งรัศมีโชดช่วงลอยอยู่ในอากาศอันสูงแล้วค่อยๆลอยต่าลงมาจนถึงที่วิญญาณอาตมานั่งอยู่ พอแสงนั้นเข้ามาใกล้อัตมาอัตมาถึงมองได้แบบถนัดชัดตาแสงที่ว่านั้นเป็นเรือยาววาเสดรอบลำเรือประดับด้วยเพชรนินจินดามีแสงสาศาสตร์สองเข้าตาเป็นประกายแพ ร, ว, พ ร, ว, พรว์ดูช่างแสนสวยดุดเทพพเจ้าเสกสรรและทางท้ายเรือมีคนนั่งอยู่คนหนึ่งคล้ายนายท้ายเรือพอเรือนั้นหยุดนิ่งคนที่นั่งอยู่ท้ายเรือนั้นพูดขึ้นว่านี่คุณเทวดาเชิญให้คุณขึ้นไปเที่ยวบนสวรรค์เราเอาเรือมารับแล้ว เมื่ออาตมาได้ยินดังนั้นก็แสนที่จะดีใจรีบลุกขึ้นไปนั่งบนเรือทันทีพอนั่งเสร็จความเจ็บปวดที่นายพรานโบยตีก็หายไปจนหมดสิ้นรู้สึกว่ามีความสุขอย่างที่สุดในชีวิตนี่เพียงนั่งบนเรือสวรรค์เท่านั้นนะถ้าไปเห็นสวรรค์เข้าจริงๆจะมีความสุขสักแค่ไหนแน่เมื่อนั่งเรือเรียบร้อยแล้วเรือนั้นก็ค่อยๆลอยขึ้นทีละนิดทีละนิ ด, นดจนพ้นยอดไม้ แล้วก็ผ่านมาในอากาศอันเว้งว้างว่างเปล่าแล้วก็ผ่านเข้ามาในหมู่เมฆหมอกสีขาวนวลนวลชวนให้มองอย่างสุขใจลอยไปจนมองเห็นปราศาสต์มีแสงเป็นประกายระยิบระยับดัดเดินเกลื่อนกลาดทั่ววิมานเต็มเป็นหมดทั้งซ้ายขวาหน้าหลังอัตมาบังเกิดความพิศวงหลงไหลแล้วก็เพลิดเพลินอย่างสุดซึ้งยากที่จะหาแดนใดมาเปรียบได้ดินแดนอย่างดีที่สุดในเมืองมนุษย์ ถ้าจะเพิ่มความสวยงามวิจิตพิสดารให้อีกสักร้อยเท่าพันเท่าก็ยังไม่สามารถที่จะนำมาเปรียบกับวิมานที่อาตมามาประสบอยู่นี้เมื่อเรือที่อาตมานั่งมาถึงจุดหมายปลายทางคือปราสาทหลังใหญ่ที่สวยที่สุดน้นแดนวิมานนั้นเทวดาที่อาตมาเห็นแล้วนอนเอกเคนกอยู่บนเตียงห้องที่ประทับยื่นออกมาข้างนอกก็จะมีกระจก3ด้านด้านหลังเป็นฝาผนังองค์เทวดานั้นตั้งแต่คอถึงศีรษะ มีรัสมี่วยพุ่งออกมาประมาณคืบกว่าและฉลององค์ด้วยเครื่องแต่งกายสวยงามมากหมดเวลาสำหรับพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะเรื่องราวกำลังสนุกเข้มข้นกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันถึงเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งในตอนต่อไปนะคะ ติดตามแลบฟังเรื่องของท่านปั ญ, ญาวาโรภิกษุนะคะที่ได้เล่าถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญตอนที่ท่านได้เสียชีวิตนะคะจากการฆ่าตัวตายโดยการกินยานอนหลับนะคะเรื่องราวต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นต้องติดตามฟังใน EP ีต่อไปสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ